สลดสังเวชอดีตชาติเคยเป็นมาความรู้เห็นประจักษ์ใจ บนดอยธรรมเจดีนี้เองทำให้ท่านถึงกับน้ำตาร่วงด้วยเหตุผลสองประการท่านเล่าไว้ดังนี้ร่วงสองอย่างร่วงด้วยความสลดสังเวชพบชาติแห่งความเป็นมาของตนหนึ่ง เพราะความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้หนึ่งเราก็เป็นมาอย่างนี้คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้วแต่ก่อน จิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้วเกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิตดวงนั้นถึงกับทำให้เกิดความผวนขวายน้อยไม่คิดจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดได้ได เพราะคิดในเวลานั้นว่าสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงธรรมกับใจเป็นของอัศจรรย์เหลือล้นถึงขนาดนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้เห็นได้ในโลกอันนี้เพราะเหลือกำลังสุดวิสัยที่จะรู้ได้เบื้องต้นที่เป็นทั้งนี้เพราะจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆ ให้กว้างขวางออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินจึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีกทั้งฝ่ายเหตุคือปฏิปทาทั้งฝ่ายผลที่ปรากฏในปัจจุบันว่าถ้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดมิใสยที่คนอื่นๆจะรู้ได้แล้วเราทำไมถึงรู้ได้ เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาหาปฏิปทาพิจารณากระจายออกไปจนได้ความชัดเจนว่าถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้วก็จะต้องได้รู้อย่างนี้